สิกขาบทที่12เรื่องพระชัพพคี650สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสวัสถีครั้งนั้นพวกพิสุทิชาวพคีเดินอยู่นอกทางแสดงธรรมแก่คนผู้เดินไปในทางพระบัญญัติ12พึงทําความสําเนียกว่า เราเดินไปนอกทางจะไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้เดินในทางเรื่องพระชัพคีจบสิกขาบทวิพังพิกษุเดินไปนอกทางไม่พึงแสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้เดินไปในทางพิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อเดินอยู่นอกทางแสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้เดินไปในทางต้องอบัตทุกกอนาปฏิวัณภิกษุตอไปนี้ไม่ต้องอบัตคือหนึ่งิษุไม่จงใจ 2. ภิกษุไม่มีสติ 3. ภิกษุผู้ไม่รู้ 4. ภิกษุผู้เป็นไข้ 5. ภิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง 6. ภิกษุวิกลจริต 7. ภิกษุต้นบัญญัติสิขาบทที่12จบ